เราได้พูดกันถึงเราได้พูดกันเรื่องของความเป็นกายมาไม่น้อยแล้วแต่ก็อย่าคิดว่าจะหยุดเพียงเท่านี้ง่ายๆเชียวยังยังจะต้องพูดกันต่อไปอีกมากทีเดียวพยายามทนฟังต่อหน่อยเถิดพยายามทนฟังต่อหน่อยเถิดเราได้พูดถึงนิโรธในวงเล็บความดับของพุทธกับนิโรธของลัทธิไม่ใช่พุทธ หรือของชาวพุทธก็ตามที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิในวงเล็บยังมิชฉาทิฏฐิอยู่สัญญาของพุทธก็ดีของที่ไม่ใช่พุทธก็ดีหรือของชาวพุทธที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิอยู่ก็ดีเขาก็กำหนดหมายว่าภาวะที่เขาได้นั้นเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์หรือกำหนดหมายว่าเป็นความดับในวงเล็บนิโรธจึงเป็นอย่างเดียวกัน และคาว่ากายของพุทธก็ดีหรือของที่ไม่ใช่พุทธก็ดีหรือกายของชาวพุทธที่ยังมิจฉา JR. ทิฏฐิอยู่ก็ดีต่างก็หมายเอาภาวะที่ดับหรือภาวะที่จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในขณะนั้นอย่างเดียวกันเมื่อต่างคนต่างทำความดับหรือภาวะที่จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในขณะนั้นได้เป็นความดับหรือภาวะที่จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์ของตน ตามที่คนกาหนดหมายนั้นๆในวงเล็บสัญญาซึ่งไม่ว่าแบบพุทธและทั้งแบบที่มิจฉาทิฐิต่างก็ถือว่าเป็นโชคในวงเล็บสุภะของตนเป็นภาวะน่าพึงใจในวงเล็บสุภะเป็นภาวะเจริญในวงเล็บสุภะดีในวงเล็บสุภะตามที่ตนกำหนดหมายจึงถือจึงชื่อว่าอย่างเดียวกัน จึงชื่อว่าอย่างเดียวกันเช่นผู้ปฏิบัติได้จนสามารถทำให้เกิดองค์ประชุมในวงเล็บกายของความเป็นนิโรธที่นับกันว่าเป็นภาวะของพรหมโดยชื่อคือพรหมชั้นสุภกินนะหะพรหมสุภกินนะหานี้ปราชท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้ว่าพวกมีลำรัศมีงามกระจ่างจ้า ซึ่งแตกต่างจากพรหมอาภัสราท่านก็ให้ความหมายไว้ว่าพวกมีรัศมีสุปรังส่านไปต้องขออภัยอย่างมากจริงๆที่ได้นำหลักฐานนี้ของท่านผู้ที่อาตมาก็เคารพนับถือท่านอย่างยิ่งมาอ้างอิงแต่มันเป็นเรื่องของการสาธยายณสัจธรรมเป็นวิชาการอยู่พอสมควรก็จำเป็นต้องมีที่อ้างอิงมายืนยันบ้าง อาตมาได้อาศัยผลงานที่ท่านทำไว้อยู่มากในการศึกษาและทำงานณโอกาสนี้ก็ขออภัยท่านอย่างมากยิ่งจริงๆและขอขอบพระคุณท่านไว้ในที่นี้อย่างสูง <c oughs> และขอขอบพระคุณท่านไว้ในที่นี้อย่างสูงทั้งสองพรหมที่ยกตัวอย่างมานั้นแสดงให้เห็นความเข้าใจในวงเล็บทิฏฐิในความเป็นพรหมหรือ เป็นสัตว์โอปปปาติกะในองเล็บสัตตาโอปปปาติกาที่อาตมายังเห็นว่ามีภาวะความเป็นกายที่หมายถึงธาตุอันเป็นมหาภูตรูปอยู่เท่านั้นความเป็นพรหมสัตว์ที่ท่านหมายยังเป็นเพียงแสงสีรัศมีซึ่งเป็นแค่รูปธรรมอาตมายังเห็นว่าหากกำหนดแค่แสงสีรัศมีเป็นเครื่องชี้ความเป็นพรมนั้น ยังไม่ชัดเพียงพอว่าในความเป็นนามธรรมของความเป็นพรหมหรือเทวดาผู้บริสุทธิ์หรื อ, อยังแสดงภาวะเป็นรูปธรรมที่ยังไม่เข้าหาภาวะที่เป็นความรู้สึกร่วมอยู่ด้วยเลยอันยืนยันว่าเป็นภาวะแห่งนามธรรมเพราะความเป็นสัตว์โอปปปติกะนั้นเป็นนามธาตุไม่ใช่เพียงแค่รูปธรราตุเท่านั้น ที่ชี้บ่งความเป็นสัตว์โอปปปติกะไม่ว่าสัตว์นรกหรือสัตวเทวดาหรือสัตวพรหมแสงสีเสียงนั้นยังเป็นภาวะรูปธาตุเฉพาะรูปธาตุยังไม่พอที่จะชี้บ่งความเป็นสัตว์โอปปปติกะต้องมีนามธาตุเป็นหลักในความเป็นสัตว์โอปปปิกะความเป็นกายจึงต้องเน้นนามธาตุ ไม่ใช่เป็นเน้นที่วัตถุธาตุเท่านั้นขาดนามธาตุเรียกว่ากายไม่ได้หรือมีแต่รูปธาตุหรือมหาปุตต ร, รูปเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นรูปธาตุอยู่เช่นแท่งก้อนของก้อนดินกลุ่มหยดน้ําละอองน้ํากลุ่มทุรีลมภาพของเปเลวไฟให้เราสัมผัสรู้ได้เราก็ไม่เรียกภาวะอย่างนั้นๆว่ากายดินกายน้ํา กายลมกายไฟแต่วิญญาณหรือองค์ประชุมของวิญญาณนั้นเราเรียกว่ากายนะเคยได้ยินไหมล่ะกายวิญญาณไงกายยะวิญญาณไงดังนั้นกายนี้แม้แต่เฉพาะาธาตุรู้ในองค์เล็บนามาธาตุเองภายในไม่เกี่ยวกับมหาภูตรูปเลยในความเป็นสัตว์ ไม่มีรู ป, ปราธาตุข้างนอกสัมผัสสัมพันธ์ด้วยเลยมีแค่สัญญาไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่ตึงเอาความจาไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่ดึงเอาความจำในวงเล็บสัญญาออกมารู้หรือตอนเองกำลังใช้จิตใช้เจตสิกทำงานกำหนดรู้อะไรอะไรอยู่ในวงเล็บสัญญามีองค์ประชุมเฉพาะของนามรูปและนา ม, มาทำในจิตเท่านั้น ในองเล็บมีแค่นายัตนะกับธรรมายัตนะทํางานอยู่ภายในจิตของจิตทํางานอยู่ในภายในของจิตอย่างนี้ก็เรียกว่ากายคือกายยาวิญญาณ น, นั่นเองซึ่งฝ่ายมิจฉาทิฏฐินั้นจะทํานิโรธ ด, ด้วยวิธีหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังที่จิตอยู่ในสภาพดํามืดในองเล็บกินอาหาไม่รู้อะไรเลย ไม่มีแสงสว่างในวงเล็บอารโลกาไม่มีตาในวงเล็บจักสุเห็นอะไรอยู่ในภาวะดับหรือไม่มีความรู้ความฉลาดใดๆดหมดจึงเกิดญาณปัญญาใดๆก็ไม่ได้เมื่อาธาตุรู้ในวงเล็บวิญญาณซึ่งหมายถึงนามาธาตุไม่มีอะไรรับรู้อยู่เลยในขณะนั้นอย่างนี้แหละที่ชื่อว่าไม่เป็นวิญ ญ, ญาณถีติในขณะที่อยู่ในนิโรดนั้น พระพุทธเจ้าจึงมีข้อแม้ว่าต้องศึกษาความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณในวงเล็บโอปะปะติกะในขณะที่มีวิญญาณถีติจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์ได้บริบูรณ์สมบูรณ์วิญญาณ น, นั้นหมายถึงธาตุรู้หรือความรับรู้ส่วนถีติหมาย ส่วนถีติก็หมายถึงการตั้งอยู่การดำรงอยู่ความเป็นอยู่ในองเล็บยังไม่ตายยังทาหน้าที่ยังไม่หายไปยังไม่พักเมื่อเป็นธาตรู้ก็ยังทาหน้าที่รู้อยู่วิญญาณถีติจึงหมายความว่ายังมีธาตรู้ทาหน้าที่รู้อยู่ดังนั้นนิโรธแบบที่ไม่ใช่พุทธได้ทําให้ธาตรู้หรือความรับรู้ในขณะนั้น ได้ทำให้ทาตรู้หรือได้ทำให้ทาตรู้หรือความรับรู้ขณะนั้นมันไม่รับรู้อะไรใดใดเลยตอนที่ตนมันไม่รู้อะไรใดใดเลยตอนที่ตนจิตเป็นนิโรธของตนนั้นกลายเป็นอสัญญีสัตว์ในวงเล็บสัตว์ที่ไม่มีส่วนใดของจิตกำหนดรู้อะไรเลยเมื่อจิตถูกดับแบบหาวิธีบังคับมันไว้ หรือหลอกมันออกไปหลับหรือดับาธาตุรู้ลงชั่วขณะไม่ให้มันทาหน้าที่รับรู้อะไรเลยในขณะนั้นาธาตุรู้ของผู้นี้จึงเจริญอะไรมิคก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรในขณะนั้นมันจึงเพิ่มความฉลาดให้เป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาอะไรไม่ไดท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการรู้แจ้งนั้น ต้องรู้ชนิดที่มีจักสุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการรู้แจ้งนั้นต้องรู้ชนิดที่มีจักสุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างดังที่ได้ยกหลักฐานอ้างอิงผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะมันไม่ได้เรียนรู้อะไร มันก็ไม่ฉลาดขึ้นได้เป็นญาณเป็นปัญญาอะไรกันก็ไม่ได้เลยอย่ามาตะแบงเทียงนะว่าก็ได้เรียนรู้ความดับความมืดนั้นๆอยู่ขณะนั้นไงได้เรียนอะไรกันในเมื่อขณะนั้นจิตมันดับจิตมันหลับดับปีอยู่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเอาธาตรู้ตัวไหนมารู้มาเรียนกันเล่าจึงจะเรียกได้ว่าเกิดความรู้ ให้แก่จิตขณะนั้นนิโรธที่ดับสัญญาอสัญญีแบบนี้จึงไม่มีความรู้ความเจริญในทางจิตใจเลยในวิญญาณถิติเจไม่มีคำ ว, ว่าอสัญญีสัต์กับเนวสัญญานาสัญญายัตนะสัตว์แต่ในแต่ในสัตตาวาส9นั้นมีก็หมายความว่า ทั้งอสัญญีสัตว์และเนวสัญญานาสัญญายัตนะสัตว์เป็นภาวะที่ไม่มีความรับรู้อะไรเลยเป็นภาวะที่ไม่มีความรับรู้เลยในขณะที่ผู้ปฏิบัติตนสำเร็จเข้าไปเป็นอยู่ในสภาพทั้งสองนั้นนั่นก็คือเนวสัญญานาสัญญายัตนะนั้นก็เป็นการดับความรับรู้ให้แก่ตนเองตามทิฏฐิของการทำอรูปฌานแบบหลับตาเข้าไปอยู่ในภวงัง ซึ่งกำหนดอสัญญีานณะซึ่งกำหนดอสัญญีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอากิญจญญายตนะฌานหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแม้แต่สัญญาเวทยิตนิโรธล้วนทำความดับมืดในวงเล็บกินหะอยู่ในพวังทั้งสิน้นที่จริงนั้นสัญญาเวทยิตนิโรดนี้ไม่มีในศาสนาไม่มีในศาสนาหรือลทัทธิอื่นใด มีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นการทําอรูปฌานในรัตที่อื่นจึงมีแค่เนวะสัญญานาสัญญายัตนาฌานเท่านั้นเป็นสูงสุดแต่ชาวพุทธที่มีแต่ชาวพุทธที่มิจฉ า, าทิฐิได้เรียนรู้คําว่าสัญญาเวทยิตนิโรธทว่ายังอวิชาในความเป็นนิโรธของพุทธ ย, ยังไม่สัมมาทิฐิจึงโมเม บุโลปุเรดาวเอาอสัญญีสัตว์เป็นนิโรธไปหมดทั้งเนวสัญญานาสัญญายตนาชาตทั้งสัญญาเวทยิตานิโรธจึงปฏิบัติได้แค่อสัญญีสัตว์ก็ลงว่าตนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาตหรือสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะมิฉาทิฏฐิผู้ที่มีทิฏฐิ หรือมีสัญญากันอย่างนี้เขาก็กาหนดหมายความเป็นนิโรธกันอย่างนั้นเมื่อเขาได้ฝึกฝนปฏิบัติจนสำเร็จเป็นมโนมยะอัตตาเขาก็ต้องได้กายของพรหมหรือกายของนิโรธที่เขาอย่างที่เขามีกาหนดหมายของเขานั้นก็เป็นรูปที่สาเร็จด้วยจิตหรืออัตตาที่สาเร็จด้วยจิตเกิดผลตามสัญญาของเขาเขาก็ถือว่าเป็นโชคในวงเล็บสุภะ ของเขาเป็นภาวะที่น่าพึงใจในวงเล็บสุภะของเขาเช่นเดียวกันผู้ที่สัมมาทิฏฐิแบบพุทธก็มีทิฏฐิหรือมีสัญญาว่านิโรธคือภาวะที่ดับหรือภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ในจิตอย่างเดียวกันเมื่อปฏิบัติจนเกิดผลนิโรธซึ่งเป็นสัญญาเวทียิตานิโรธนะก็มีผลอย่างเดียวกันคือมีภาวะที่ดับ หรือภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ในจิตไม่ต่างกันเลยจึงกล่าวได้ว่ามีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนเนยสําคัญที่เป็นปรมาธิธรรมนั้นนิโรธแบบมิจฉาทิฏฐิได้นิโรธในภาวะกินนหะที่เป็นอาการดับมืดดำอยู่ในจิตแต่สำหรับปรมาธธรรมที่สัมมาทิฏฐิของพุทธนั้น ได้นิโรธในภาวะมีจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างแจ้งในวงเล็บสัจฉิอยู่ในจิตซึ่งแบบพทธนั้นมีรูปมีนามอย่างวิเศษลึกล้ำที่มีในยะสำคัญคือเป็นนิโรธที่มีเหตุปัจจัยของชีวิตที่พร้อมด้วยจักสุปัญญายานวิชาแสงสว่างตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเอามาประกาศแก่โลกให้มนุษย์ได้เรียนรู้และปฏิบัตินิโรธแบบนี้กันซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติด้วยวิธีหลบหรือหลับตาเข้าไปอยู่ในพวังแต่เป็นนิโรธชนิดที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธที่เห็นแจ้งในวงเล็บสัจฉิแจ้งอย่างไรขยายความเพิ่มมาจนกระทั่งบรรทัดนี้ผู้อ่านก็คงจะแจ้งด้วยปฏิพานปัญญาของตนได้แล้วใช่ไหม ว่าแบบมีจักษุปัญญาญาวิชาแสงสว่างตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไว้นั้นมันรู้แจ้งเห็นจริงกันถูกต้องอย่างไรไม่ถูกต้องนั้นอย่างไรต้องเห็นว่าอากุศลจิตหรือกิเลสมันดับไปมันไม่มีในจิตขณะนั้นอยู่ชัดชัดต้งโต้งแตกต่างกันกับอีกภาวะหนึ่งที่ไม่ใช่พุทธแบบหลับ ดับทวารทั้งหกทำนิโรธในองเล็บความดับให้ตนเองดำในวงเล็บกินนห ะ, ะที่มืดมิดไปหมดหลับไม่รู้อะไรเลยดับกินนห ะ, ะไม่มีจักษุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างให้รู้ใดๆกันเลยภาวะที่นิโรธอยู่นั้นมันมืดดำอย่างไรผู้เคยปฏิบัติสเร็จด้วยตนเองจึงจะพอรู้จริง และผู้ที่ปฏิบัติแบบพุทธได้สำเร็จก็จะรู้แจ้งได้ดีแท้จริงเช่นกันว่าต่างกันและมีส่วนที่เหมือนกันเช่นไรไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนต้องทาความเข้าใจกันอย่างชัดๆคมคมในเรื่องของนิโรธที่เป็นสัญญาเวทยิตนิโรธแบบของพระพุทธเจ้ากับนิโรธทั่วไปที่ไม่ใช่นิโรธ ที่ไม่ใช่นิโรธแท้ๆของพุทธนั้นแม้จะมีสัญญาอย่างเดียวกันคือกำหนดหมายอย่างเดียวกันว่าดับคือดับทุก์ไม่มีทุกขดับคือภาวะทุกข์นั้นไม่มีแล้วนั่นก็คือความดับในองเล็บนิโรธทุกข์ในองค์ประชุมในวงเล็บกายของจิตขณะนั้นดับ คือภาวะทุก์นั้นไม่มีแล้วนั่นก็คือความดับในองเล็บนิโรธทุกในองค์ประชุมในองเล็บกายของจิตขณะนั้นสำเร็จผลอยู่ซึ่งได้แก่ความดับอารมณ์ทุก์ในองค์ประชุมในองเล็บกายขณะนั้นเท่านั้นซึ่งยังไม่ใช่ความหมายไปถึงซึ่งยังไม่ใช่หมายลึกไปถึงตัวตนของกิเลส ท, ที่ดับแค่หมายถึงอารมณ์ทุกเท่านั้นไม่ ความไม่มีอารมณ์ทุกข์หรือความรู้สึกความไม่มีอารมณ์ทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์ในขณะนั้นนั่นคือกายหรือองค์ประชุมของนามกายในขณะนั้นของตนของตนมันจึงรู้สึกอยู่ในตนเองขณะนั้นได้ว่ามันไม่ทุกข์เลยถ้าเป็นแบบพุทธสมาธิที่มีจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะดับกิเลสและผู้บรรลุนิโรธ จะรู้อยู่เห็นอยู่สาเร็จอิริยบทอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวในวงเล็บวิหรติซึ่งไม่ใช่รู้แบบรูปกายแต่เป็นการรู้แบบนมามกายในตัวเราเองในวงเล็บเวทนาในเวทนาและเป็นแค่องค์ประกอบที่ประชุมกันอยู่ในวงเล็บกายให้รู้ได้ด้วยเพราะรูปของกิเลสก็ไม่มีนามที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีเป็นความว่างเปล่า ทั้งรูปทั้งนามเลยสำหรับแบบพุทธแต่มีองค์ประชุมในวงเล็บกายของอวัยวะที่ประกอบอยู่เป็นภาวะทำให้เกิดนิโรธกันได้จริงทั้งแบบพุทธและทั้งแบบที่ไม่ใช่พุทธนี่คือกายอย่างเดียวกันทั้งของแบบมิจฉาทิฏฐิและของสัมมาทิฏฐิ แต่มันมีนัยยะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกายสำคัญยิ่งซึ่งมิใช่วิสัยที่จะคาดเดาเอาได้ด้วยตักกะในองเล็บอตกาว จ, จราจริงๆถ้าไม่สามารถสัมผัสวิโมก8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบทอยู่ทั้งอาสวะของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาก็มีชื่อว่าบรรลุสูงสุดเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธ อันเป็นสภาวะธรรมที่อรหันต์ได้สัมผัสด้วยตนเพราะกายที่อยู่ในภาวะดำปีในวงเล็บกินหะกับกายที่อยู่ในภาวะแจ้งในวงเล็บสัชิด้วยองค์ประชุมอันมีจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างนั้นมันมีความจริงที่วิเศษคนละอย่างต่างกันแม้จะมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน จึงจะต้องรู้เรียนจึงจะต้องเรียนรู้กายกันตั้งแต่คำว่าสกายะที่เป็นอัตตาตัวแรกไปเลยทีเดียวที่ตนเองต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าคือตัวตนในวงเล็บอัตตาภาวะธรรมขั้นต้นของการพิสูจน์ญาณอย่างรู้พุทธธรรมซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อแรกในสังโยชน์สิเลยก็ในสังโยชน์สิบเลยว่าคืออย่างไรและ ปฏิบัติยืนยันอธิบายได้ชัดเจนว่าสภาวะอย่างไรขณะใดชะไหนคือการพ้นสักยทิฐิสังโยชน์อีกทางกายในที่อื่นๆก็ต้องอธิบายสภาวะของธรรมนั้นๆได้ชัดเจนเช่นกายในวิญญาณธิติ7หรือสัตวาก9และคำว่าสัมผัสวิโมก8ด้วยกายหรือแม้แต่คำว่ากาย หรือแม้แต่คําว่ากายยังขารกายปัสสิกายสัมผัสกายยานุปัสนากายกรรมัญญาตากายมุทุตากายยวิญญาณกายละหูตากายวิการกายวิเวกกายสักขีกายสุจิกายสันเจตนาผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกาย จึงจะอธิบายคำเหล่านั้นได้จากสภาวะของความเป็นกายอย่างถูกต้องจึงจะไม่อธิบายให้เห็นว่าความเป็นกายนั้นหมายเอาแค่ร่างในองเล็บสรีระภายนอกหรือแค่รูปแค่ธาตุที่เป็นรูปธปาตุอันไร้ความรู้สึกกันเท่านั้นแต่จะอธิบายชนิดที่มีนามธรรมาหรือมีธาตรู้เป็นเนื้อหาหลักร่วมอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามหรือไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามคือเวทนาไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสาคือเวทนาสัญญาสังขารแม้แต่ความเป็นวิญญาณเองที่สำคัญจะอธิบายความเป็นนามกายหรือกายยาวิญญาณได้ถูกต้องในความเป็นนามธรรมหรือนามกายไมิใช่อธิบายเป็นรูปธรรมหรือรูปกายอยู่เท่านั้น และสามารถอธิบายได้ถึงความเหมือนก็ดีความต่างก็ดีของคำว่าวิมุตตอมะตะปรินิพานแม้แต่วิมุตตนิโรดนิพานนั้นเหมือนหรือต่างกั น, นชนัยจะชัดเจนในความเป็นวิมุตตนั้นเป็นแก่นในวงเล็บสาระตามมูลสูตรลำดับที่8อมะตะเป็นที่อย่างลงในวงเล็บโอคธาลำดับที่9้า และปริณิพานนั้นเป็นที่สุดท้ายในองเล็บปริโยสารตามมูลสูตรลำดับที่ส0ชัดเจนยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมูลสูตรโดยเฉพาะคำว่าอามตะในองเล็บความไม่ตายนั้นมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในวงเล็บปฏินิสัคะ ในความหมายของมันอีกอย่างสำคัญและจะชี้ให้เห็นทั้งความลึกล้มยิ่งในเชิงซ้อนที่มีนัยสำคัญแห่งความเป็นอมะตะของผู้บรรลุธรรมพุทธส ม, มาทิทฐิกับของกับของคนอื่นที่ยังมิชาทิฐิเช่นจากพระวจนะของพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องวิญญาณถีติเจ็หรือสัตววาด้าในวงเล็บ พระไตรปิฎกเล่ม23าข้อ41และสองยข้อหนึ่งว่าสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกแ ล, วและวินิปาตะและวินิปปาติกสัตว์ในวงเล็บสัตว์อบายบางพวกสัตว์ในที่นี้หมายถึง สัตว์ทางปรมัต ธ, ธรรมแท้ๆไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแค่เป็นร่างเป็นกายอันประชุมกันอยู่ภายนอกที่เห็นกันด้วยลูกตาสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์ทางปรัชมัตธรรมแท้ๆไม่ใช่สัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์ทางปรมัตธรรมแท้ๆ ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแค่ร่างเป็นกายอันประชุมกันอยู่ภายนอกที่เห็นกันด้วยลูกตาเนื้อเท่านั้นแน่แต่กระนั้นก็เถอะสำหรับผู้ที่ยังเข้าใจความว่ากายเป็นเพียงรูปที่มีแค่ร่างในองเล็บสรีระถ้ายังไม่มีความรู้ชัดเจนว่ากายนั้นเมื่อหมายเอาเฉพาะความเป็นจิตใจที่เป็นความรู้สึก หรือธาตุรู้ที่เรียกว่ากายของวิญญาณในวงเล็บกายาวิญญาณก็ดีกายของเวทนาก็ดีกายของจิตก็ดีเป็นต้นก็จะไปกำหนดหมายในวงเล็บสัญญาความเป็นกายของสัตว์กันอยู่แค่รูปร่างในวงเล็บสรีระแม้จะเป็นกายในกายก็จะเห็นเป็นแค่รูปร่างเท่านั้นเช่นมีญาณเห็นสัตว์นรกก็จะเห็นแต่รูปร่างของสัตว์นรกเท่านั้น ไม่อย่างลงไปถึงความรู้หรือความรู้สึกในวงเล็บเวทนาของสัตว์นั้นจึงไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึงสุขก็ดีทุกข์ก็ดีของสัตว์นั้นๆซึ่งเป็นอริยสัตว์และเป็นนามธรรมต่างๆอันจะแยกแยะได้อย่างสำคัญถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในมนโนในมนโนปวิจารสิในวงเล็บเวทนาในเวทนา แยกส่วนที่เป็นโลกียะในองเล็บเคหะสิตะเวทนากับส่วนที่เป็นโลกุตระในองเล็บเนฆัมมะสิตะเวทนาออกจากกันได้ดังนั้นเมื่อผู้ที่มีดังนั้นเมื่อผู้ที่มีทิฏฐิยังไม่สัมมาก็จะกำหนดหมายในองเล็บสัญญาอยู่แต่แค่ว่ากายนั้นคือรูปร่างในองเล็บสรีระเท่านั้น และจะรู้แจ้งในความเป็นอริยสัจสีได้อย่างไรผู้นั้นจะมีความรู้ในตนอันสมควรแก่ปัญญาในวงเล็บปัญญานุรูปได้ด้วยตนเองในวงเล็บปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิถึงขั้นเป็นอัญญาในวงเล็บปัญญาของผู้เข้าขั้นอริยภูมิจนถึงขั้นรู้ทั่วแล้วในวงเล็บอัญญยะ ที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงความรู้สึกในองเล็บเวทนาในตนว่าอาการสุขอาการทุกข์ของสัตว์นรกสัตว์สวรรค์นั้นๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้และมีเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์กันอย่างนี้อย่างนี้ได้ฉไห น, นผู้มิจฉาทิฐินั้นในเมื่อรู้เข้าไปสัมผัสรู้ความเป็นสัตว์ในใจหรือเห็นความเป็นสัตว์ในใจแล้ว แต่เพราะทิฏฐิผิดก็ได้แค่กำหนดหมายในใจในวงเล็บสัญญาเห็นความเป็นกายของสัตว์ในทางจิตใจในวงเล็บสัตว์โอปปปฏิกะเป็นรูปร่างในวงเล็บสรีระกันอยู่ตามทิฏฐิเท่านั้นเช่นเห็นสัตว์นรกมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเทวดามีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไปต่างๆเท่านั้นเองไม่กําหนดอย่างรู้ลงไปถึงนามธรรมของสัตว์ซึ่งนามธรรมนี้แหละ ที่จะสามารถศึกษาอริยสัจสีได้รูปธรรมมันไม่เป็นทุกข์เป็นสุขมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความรับรู้มันไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณแม้แต่พีชะมีชีวะแม้แต่พีชะมีชีวะที่ไม่ถึงขั้นเป็นสัตว์ มันยังมีแค่สัญญากับสังขารมันไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณจึงเป็นชีวะที่มีสังขารแต่ไม่มีวิญญาณครองในวงเล็บอนุปปาทินกะสังขา ร, ร, รในวงเล็บอนุ ป, ปาทินกะสังขารไม่มีกรรมครองในวงเล็บอนุปาทินกะสังขารแม้เป็นสัตว์ ที่มีวิญญาณครองมีกำครองแล้วแต่รอศึกษาวิญญาณเอาต่อเมื่อภายหลังเราตายทางร่างกายในองเล็บกายะสะเพทาปรมมรณาวิญญาณที่ไร้ตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกไม่มีร่างให้อยู่แล้วเราจะรู้จริงว่าวิญญาณนี้ท่องเที่ยวไปแล่นไปไม่ใช่อื่นได้ง่ายหรือแล้วเรา แล้วและจะรู้จริงว่าวิญญาณนี้ท่องและและจะรู้จริงว่าวิญญาณนี้ท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นได้ ง, ง่ายหรือและจะรู้จริงว่าวิญญาณนี้ท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นได้ง่ายหรือและใครจะรู้ด้วยและใครจะรู้ด้วยได้เราจริงจริงแล้ววิญญาณจะแล่นไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สามารถจะ รู้วิญญาณจริงได้อย่างสดสดแท้แท้มันจับมั่นคั้นตายมันจับมั่นคั้นตายได้เท่ากับรู้ในขณะที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกหลัดๆสดสดต้องต้ในขณะมีชีวิตเป็นเป็นนี้และวิญญาณเกิดขึ้นให้เรียนรู้ได้จริงพระพุทธเจ้าจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัส บริพาทภิกษุสาติในองเล็บพระไตรปิฎกเล่มส2องตั้งแต่ข้อ440ตรวจสอบได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเธอให้ศึกษาวิญญาณที่ท่องเที่ยวเล่นไปไหนต่อไหนเมื่อไรกันมีแต่ท่านทรงสอนให้เรียนรู้วิญญาณที่อาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเพราะความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีจากภาษะของตาสัมผัสรูป แล้วเกิดวิญญาณให้เราศึกษาหูสัมผัสเสียงแล้วเกิดวิญญาณให้เราศึกษาจมูกเป็นต้นจมูกจมูกสัมผัสกลิน่นแล้วเกิดวิญญาณเป็นต้น วิญญาณจะเกิดปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาก็ต้องมีเหตุกับปัจจัยสัมผัสกันด้วยตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสทุกอย่างที่เป็นภายนอกใจสัมผัสทุกอย่างที่เป็นภายในจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณอันมีเจตสิกาคือเวทนาสัญญาสังขารประชุมกันให้เราได้ปฏิบัติศึกษาหาความจริง ถ้าไปหลงเข้าใจผิดว่าวิญญาณคือสิ่งที่ต้องเที่ยวเล่นไปไหนต่อไหนอยู่นอกตัวคนโน่นหากผู้ใดจะศึกษาให้รู้ทั่วถึงทําได้ว่าวิญญาณเทวดาเป็นอย่างไรวิญญาณผีมารเป็นชไหนะวิญญาณพรหมเป็นแบบใดก็โน่นไปศึกษาเอาจากวิญญาณที่ท่องเที่ยวเล่นไปไหนต่อไหนอยู่นอกตัวเราโน่น ซึ่งนั่นไม่ใช่วิญญาณที่เกิดจากการสัมผัสของตาเมื่อกระทบรูปแล้วเกิดวิญญาณให้เรารู้เห็นวิญญาณแท้ๆจริงๆหรือหูกระทหรือหูกระทบเสียงแล้วเกิดวิญญาณให้เรารู้เราเห็นวิญญาณแท้ๆจริงๆจากทวารทั้งห้าภายนอกกับเหตุปัจจัยทั้งหลายนั่นเองแล้วก็เห็นวิญญาณได้จริงได้แท้อยู่ในขณะที่มีสัมผัส ของเหตุปัจจัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วแล้วก็ผู้นั้นมิฉาทิฏฐิเหมือนภิกษุสาติแน่เพราะมีวิญญาณเพราะมีทิฏฐิความเชื่อถือแบบภิกษุสาติกันนี่เองนักปฏิบัติธรรมหรือผู้คนทั้งหลายจึงไปรู้ไปเห็นก็แต่วิญญาณเทวดาก็ดีวิญญาณผีมานก็ดีวิญญาณพรหมก็ดีเป็นแค่รูปจากสัญญา ที่เป็นรูปเป็นร่างในวงเล็บสลีระอันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีที่มาจากการสัมผัสของภาษาทรูป5ภายนอกในวงเล็บตาหูจมูกลิ้นกายกับโคจรรูป5ในวงเล็บรูปกลิ่นในวงเล็บรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะ ซึ่งเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่หลงอยู่ในใจว่านี่คือวิญญาณของผีมารของเทวดาของพรหมแท้แ ล, แ, ทแล้วคือรูปแท้แล้วคือแท้แล้วคือรูปที่เกิดจากสัญญาเป็นอัตตาที่รู้ด้วยสัญญาเท่านั้นเองเป็นอัตตาที่รู้ด้วยสัญญาเท่านั้นอันตนเองก่อเกิดขึ้นเองในจิตเนรมิตขึ้นเองได้สำเร็จ เรียกชื่อรูปนี้ว่ามโนมยอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งที่ต้องศึกษาลดละกิเลสในอัตตาชนิดนี้เหมือนกันแค่ภาวะที่เกิดจากสัญญาเป็นอัตตาสำเร็จด้วยจิตไม่ใช่วิญญาณเป็นรูปจริงแต่เป็นรูปที่เกิดด้วยสัญญาเท่านั้นซึ่งรูปธรรมที่เห็นนั้นคืออัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งในอัตตาสาในวงเล็บโอราริกอัตตามโนมยอัตตา อรูปรอาตาที่สำเร็จด้วยจิตในวงเล็บมโนมายาโดยเฉพาะมันไม่ใช่วิญญาณจริงเลยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดในสัญญาที่เป็นที่สำเร็จเป็นรูปอยู่ในจิตแค่นั้นเองเป็นอาตาที่สำเร็จด้วยจิตแค่มโนมายะอาตาในวงเล็บรูปที่สาเร็จด้วยจิตผู้ไม่สัมมาทิฏฐิจนมีวิชาพอจะรู้ภาวะนี้ได้ ก็จะหลงผิดมโนมยัตานี้ว่าเป็นความจริงของจริงที่จริงมันก็ความจริงแต่ความจริงนี้เป็นความจริงที่เกิดเป็นสัญญาไม่ใช่เกิดความจริงที่เกิดเป็นวิญญาณตามความรู้ของศาสนาพุทธที่สมาธิเพราะแม้แต่สัญญากับวิญญาณผู้มีวิ ช, ชาก็จะแยกออกบอกไม่ได้เพราะแม้แต่สัญญากับวิญญาณ ผู้มีวิชาจะแยกออกบอกได้ว่าภาวะอย่างใดคือสัญญาภาวะอย่างใดคือวิญญาณแม้แต่สัญญาใดที่ยังมีอุปทานในวงเล็บสัญญูนับในวงเล็บสัญญูปานานขันสัญญาใดที่ไม่มีอุปทานแล้ววิญญาณใดที่ยังมีอุปทานในวงเล็บสัญญาหนูปานักขัน หรือวิญญาณใดที่ไม่มีอุปทานแล้วดังนั้นการจะทำให้วิญญาณสัตว์ในวงเล็บสัตว์อปปปฏิกะชนิดใดชนิดหนึ่งหมดสิ้นในความเป็นสัตว์นั้นๆก็ดับที่อุปทาน ที่เป็นเหตุให้เกิดสัตว์นั้นๆกระทั่งหมดสิ้นกิเลสนั้นจึงไม่ใช่ไปมัวหลงดับสัญญาซึ่งไม่ใช่ภาวะของกิเลสตัณหาอุปาทานก็เลยยิ่งซ้ำร้ายกลายเป็นสร้างอสั ญ, ญีสัตว์ในใส่ตนเพิ่มสัตว์อีกชนิดหนึ่งใส่ตนซ้ำเติมเข้าไปอีกสัญญากับวิญญาณแตกต่างกันจริงๆนะมีในยะสำคัญต่างกันตรองตามดีๆ เช่นคนส่วนใหญ่ไปมัวเข้าใจแต่ว่าวิญญาณนั้นที่จะรับทุกตกนรกจะเป็นทุกขึ้นสวรรค์นั้นเช่นคนส่วนใหญ่ไปมัวเข้าใจแต่ว่าวิญญาณนั้นที่จะรับทุกตกนรกจะเป็นสุขขึ้นสวรรค์กันก็มีอยู่ในภาวะหลังร่างกายแตกตายในวงเล็บกายศสะเพทาเท่านั้น ถ้าอธิบายสัจธรรมที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมในตัวคนนี้แท้ๆสู่ฟังก็หาว่านี่มันแค่สวรรค์นในอกนรกในใจเป็นการสมมติกันเท่านั้นท้งๆที่นี่แหละท้งทงที่นี่แหละคือปรมัต ธ, ธรรมที่แท้ไม่ใช่แค่สมุติธรรมเลยไม่ใช่แค่สมุติธรรมเลยความเป็นวิญญาณหรือที่เป็นอัตภาวะนี้ผู้ยังไม่ ความเป็นวิญญาณหรือที่เป็นอัตตภาวะนี้ผู้ยังไม่สัมมาทิฏฐิก็จะยังไม่ใช่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่ายเพระาะธาตุรู้ที่เป็นจิตนยามอันสัตย ร, รกเพระาะธาตุรู้ที่เป็นจิตนยามอันสัตวโลกได้มาเป็นอัตตภาวะนี้ไม่ใช่มันจะสลายสูญไปได้ง่าย จนกระทั่งศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมากมายล้วนต่างยืนยันตรงกันว่าอัตตาในภาษาบาลีคือจนกระทั่งศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมากหลายล้วนต่างยืนยันตรงกันว่าอัตตาในภาษาบาลีหรืออตมันในภาษาสันสกฤตนี้ มีภาวะนิรันดรไม่มีสูญสลายการยึดมั่นถือมั่นว่าอัตมันหรืออัตตามีภาวะนิรันดร น, นี้เป็นผู้ที่เป็นผู้มีสัจตติทิฐิร้อยเปเซ็คือคนมีความเห็นว่าจะอย่างไรอย่างไรอัตตาหรืออัตมันก็ยังมีอยู่นิรันดรผู้ที่บรรลุอรหัตตะภาวะ หรืออรหัตผลของตนในตนจริงแท้จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในภาวะที่ตนบรรลุตามข้อ 8-9-10 ของมูลสูตรในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม2 4ข้อ58ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าข้อ8ภาวะของวิมุตในองเล็บความหลุดพ้นที่ว่าเป็นแก่นในวงเล็บสาระก็ดี ข้อ9ภาวะของอมตะในวงเล็บความไม่ตายที่ว่าเป็นที่อย่างลงในวงเล็บโอคธาก็ดีข้อสิภาวะของปรินิพานในวงเล็บการดับสิ้นรอบที่ว่าเป็นที่สุดท้ายสุดแห่งบทจบสุดท้ายในวงเล็บปริโยสารก็ดีมีภาวะแท้ภาวะจริงอย่างไรลึกซึ้งลึกล้ําสลับซับซ้อนกันอยู่ฉไหน แตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรความเป็นอัตตาหรืออัตตาภาวะของคนนี้มันมีแน่ๆมีเป็นของคนจริงๆคนผู้มีความเห็นผิดในเรื่องอัตตาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านิรตาคือผู้ปฏิเสธความเป็นอัตตาใดๆหมดก็มีอยู่หรือผู้มิจฉาทิฏฐิที่มีอั ต, ตาวาทุกปาทานในองเล็บ การยึดมั่นได้แค่คาพูดว่าเป็นตัวตนซึ่งยึดมั่นในภาษาที่ว่าอนัตตานั้นต้องแปลว่าไม่ใช่อัตตาแล้วก็ยึดมั่นยืนยันว่าอัตตาไม่มีอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ใช่อัตตาอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ใช่อัตตาหากผู้ใดยังเห็นว่าอัตตายังมีไม่ว่าจะมีอยู่ที่ใดไม่ว่าอยู่ในตนหรืออยู่นอกตนในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีทั้งนั้น ผู้นั้นมิฉาทิฏฐิเพราะไม่มีอะไรเป็นอัตานี้เขายืนยันว่าอนัตตาต้องแปลว่าไม่ใช่อัตตาเพราะอะไรอะไรก็ไม่ใช่อัตตานี่แหละคือผู้ที่มีอัตวาทุ ป, ปาทานแท้ๆเพราะเป็นผู้ยึดมั่นได้แค่คำพูดในองเล็บวาทะเท่านั้นว่าเป็นอัตตา หรือเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความเป็นอัตตาและตรัสถึงความเป็นอัตตาอนัตตาอย่างมีนื้ยะสําคัญทั้งนั้นเพราะเป็นเนื้อหาที่ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตั้งแต่ต้นคือสกิยะในวงเล็บองค์ประชุมความเป็นตัวตนของตนจนเป็นที่สุดแห่งที่สุดคืออนัตตาในวงเล็บความไม่มีตัวตน ผู้มิชาทิฐิชนิดนี้จะตีทิ้งอัตตาไปเลยไม่ให้ค่าความเป็นอัตตาว่ามีในที่ใดที่ใดเพราะเชื่อว่าอัตตาไม่มีตัวตนเพราะเชื่อว่าอัตตะเพราะเชื่อว่าอัตตาไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นผู้ยึดอัตตาได้แค่คำพูดเท่านั้นคนชนี้แหละชื่อว่าอัตวาทุปาทานการยึดมั่นถือมันว่าอัตมันหรืออัตตาไม่มีในที่ใดที่ใดนี้ เป็นผู้มีอุจเฉตเป็นผู้มีอุจเฉททิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นคือคนมีความเห็นว่าจะยังการยึดมั่นถือมั่นว่าอัตมันหรืออัตตาไม่มีในที่ใดที่ใดนี้เป็นผู้มีอุจเฉททิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นคือคนมีความเห็นว่าจะยังไรอย่างไรอัตตาหรืออัตมันก็ไม่มีเลยในองเล็บนิรั ต, ตะ จริงๆนั้นอัตตาภาวะของคนแต่ละคนมีอยู่แน่แม้ถึงขั้นผู้บรรลุอรหันต์แล้วที่ยังไม่ปริญิพานเป็นปริโยสารก็จะเหลือวิบากอาศัยอยู่ยังไม่ศูนย์จึงยังชื่อว่าอัตตภาวะอยู่เช่นกันแต่อรหันต์ท่านไม่ลึกลับในความเป็นอัตตภาวะในตัวของท่านแล้ว ส่วนเจ้าตัวแต่ละคนจะต้องเสวยผลส่วนเจ้าตัวแต่ละคนจะต้องเสวยผล อ, ล อ, ผลอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากก็ย่อมเป็นไปตามแต่เจ้าตัวจะมีวิบากของตนอย่างไรแค่ไหนที่ทำไว้จริงเป็นจริงแต่ละคนนี้แหละคือซับแท้ของคนจริงๆที่เกิดจากกรรมหรือการกระทํา หรือการกระทำแท้ที่ตนจะต้องรับเต็มๆไม่ขาดหกตกหล่นไปไหนแม้แต่น้อยไม่ระเหยไม่ระเหิดเลยในวงเล็บจบฉบับที่289 อืม คนทุกคนมีกรรมเป็นของตนของคนทุกคนมีกรรมเป็นของของตนในวงเล็บกรร ม, มสกะซึ่งจริงๆยิ่งกว่าลาบยศสันเริญโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากกรมจากอัตตากรรมคือการกระทาที่ตนทำลงไปแล้วจริงนี้แหละในวงเล็บกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่คนได้กระทาจริงๆและประเด็นสาคัญยิ่งก็คือ ทำแล้วเราผูกลงไปในใจจริงๆหรือใจยึดเองจริงๆโดยเราชังหรือชอบนั่นเองที่เป็นผลสั่งสมลงตกตะกรเรียกว่าอนุสัยในจิตสะสมเป็นของสะสมเป็นของตนจนเป็นตนเป็นสมบัติเป็นทรัพย์เพราะมันเป็นความยึดอยู่ในจิตเรียกว่าอุปทานถ้าไม่ยึดก็ไม่มีอุปทานนั้น ที่ยึดภาวะนั้นอยู่ด้วยอุปทานนี้แหละคืออัตตาจนกว่าหลุดพ้นความเป็นอัตตานั้นได้อย่างเป็นวิชาแปดสมบูรณ์จึงจะอาศัยอัตตาภาวะนั้นอยู่อย่างสมาทานเพราะไม่ลึกลับในความเป็นอัตตานั้นแล้วจริงซึ่งก็คือคำว่าอรหัตตานี่เองก็ต้องขออาภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีก็ต้องขออาภัยต่อท่านผู้รู้ ก็ต wow. ้องขออภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีมาอย่างดีที่อาตมาแปลคําว่าอรหัตตาว่าอย่างนี้มันเป็นความจริงก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีมาก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีมาอย่างดีที่อาตมาแปลคําว่าอรหัตตาว่าอย่างนี้มันเป็นความจริงไอ ก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีมาอย่างดีที่อาตมาแปลคำว่าอรหัตตาว่าอย่างนี้มันเป็นความเห็นจริงตามสภาวธรรมที่อาตมาเห็นจริงในความมีความจริงก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้เรียนรู้บาลีมาอย่างดีที่อาตมาแปลคำว่าอรหัตตาว่าอย่างนี้ มันเป็นความเห็นจริงตามสภาวธรรมที่อาตมาเห็นจริงในความมีจริงอย่างนี้จริงๆไม่ใช่จะดื้อดึงดันทุรังแปลอย่างอวดดีแปลให้ไม่ใช่จะดื้อดึงดันทุรังไม่ใช่จะดื้อดึงดันทุรังแปลอย่างอวดดีแปลไปให้ปรมาตธรรมเสียหายอะไรดอก อัตตนี้แลที่หลงยึดในวงเล็บอุปทานกันอยู่จริงด้วยอวิชาผู้พ้นอวิชาหมดเกลี้ยงได้จริงก็หมดยึดอย่างอุปทานได้จริงจึงยึดอยู่อย่างสมาทานคืออาศัยอัตตาที่สะอาดจากอุปทานหมดสิ้นเกลี้ยงแล้วนี้อยู่เพื่อประโยชน์อันพึงอยู่ต่อไปซึ่งก็เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้น เพราะประโยชน์ตนนั้นหมดสิ้นแล้วประโยชน์ตนคือการล้างความยึดตัวตนให้หมดสิ้นเมื่อหมดสิ้นความยึดในความเป็นตนเป็นของตนได้ขาดเมื่อหมดสิ้นความยึดในความเป็นตนของตนเมื่อหมดสิ้นความยึดในความเป็นตนเป็นของตนได้เด็ดขาดจริงก็จบกิจในประโยชน์ตนซึ่งการยึดหรือไม่ยึดนี้แหละที่พระพุทธเจ้า ซึ่งการยึดหรือไม่ยึดนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามีทฤษฎีให้ปฏิบัติล้างภาวะที่ยึดได้จริงเป็นระดับต้นกลางปลายที่เรียกว่ากิเลสระดับการมราคะแล้วก็ขั้นรูปแล้วก็ขั้นรูปราคะและที่สุดขั้นอารูปราคะกระทั่งที่เหลือเป็นลักษณะอื่นๆ อ, อีกอันยังหยาบกลางละเอียดซึ่งเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ และความเป็นตนเป็นของตนเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรความไม่เป็นตนไม่เป็นของตนนั้นเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรก็กําจัดที่ภาวะเป็นโทษให้หมดไปจากจิตเหลือไว้ใช้แต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอนัตตาของจิตของวิญญาณจริงว่ามันเกิดขึ้นมันดับไปอย่างไร กระทั่งทําให้มันศูนย์นั้นทําอย่างไรกระทั่งทําให้ศูนย์นั้นทําอย่างไรต้องตัวใจจริงเป็นภาวะที่สามารถสัมผัสรู้อย่างรู้จัก <c oughs> ต้องตัวใจจริงเป็นภาวะที่สามารถสัมผัสรู้อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทุกขั้นตอน เมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็จะรู้จับรู้แจ้งรู้จริงภาวะต่างๆ่างดังกล่าวนั้นจนกระทั่งมีทฤษฎีปฏิบัติที่จะกำจัดอุปทานที่เราหลงยึดเหล่านั้นได้สำเร็จแท้จริงที่มันอยู่ในขันห้าของคนทุกคนที่อวิชชาคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขัน วิญญาณูนาปานัวิญญาณูปาทานักขันกระทั่งสิ้นอุปทานไปจากขันห้าของตนเป็นผู้มีขันห้าอย่างเป็นผู้มีขันห้าที่ไม่มีอุปทานก็เป็นอรหันต์ไม่ลึกลับในอวิชชาทั้งหลายแล้วอุปทานในขันห้านี้แหละคือตัวการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเป็นตัวทุกขอริยสัตว์ผู้มีสัมมะ ผู้มีสัมมปัญญาก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยญาณอันพิเศษที่เรียกว่าอัญญาและความรู้ในทิษฎีและความรู้ในทฤษฎีทั้งหมดนั้นเรียกว่าวิชาทั้งอัญญาและวิชาเป็นความรู้ที่ประเสริฐเหนือความรู้สามัญของปุถุชนมนุษย์โลกีอย่างแท้จริงเกิดได้ที่ใครผู้นั้นจะรู้เองเป็นปัจจตัง จึงจะสามารถกำจัดอุปทานให้สิ้นเกลี้ยงไปจากขันทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานนี้เป็นจิตอวิชาชนิดหนึ่งที่มันโง่จริงๆมันจึงสะสมอะไรต่ออะไรที่ไม่น่าสะสมใส่ตนจริงๆการสะสมกามสะสมอัตตาใส่ตนเป็นต้นนี้คือกรรมบาป กรรมนั้นเมื่อสะสมลงไปในตนก็เป็นวิบากบาปของตนในองเล็บผลกรรมที่ตนทำแล้วจริงในตนก็เป็นตนในองเล็บอัตตาเป็นของตนในองเล็บอัตตนิยเป็นทรับแทสํำหรับแต่ละคนเป็นสมบัติเรียกโดยศัพท์ว่าเป็นอัตตาซึ่งก็คือเป็นตนนั่นเอง ทำเสร็จก็สะสมเป็นวิบากบาปวิบากบาปจึงเป็นตนเป็นอัตตาแท้บาป ค, คือกิเลสกิเลสนี่แหละที่เป็นทรัพย์แท้ของตนแน่ทรั์ที่ตนหลงยึดว่าเป็นตนในองเล็บอัตตาเป็นของตนในองเล็บอัตตนิยาจริงๆด้วยอวิชชาที่ต้องจึงต้องเรียนรู้ตัวอัตตาพวกนี้ให้รู้จักรู้แจ้งเห็นจริงภาวะ ที่เป็นตัวจริงๆของมันในตนแล้วจึงจะกำจัดตัวมันถูกแล้วจึงจะกำจัดมันถูกตัวตนหรืออัตตาอัตตาไม่สามารถจะรู้อัตตาไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยแค่ตรกกะคือการไตรตรองเอาตามเหตุตามผลในวงเล็บ อ, อัตตาวจราเท่านั้น ตามไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยแค่คำพูดภาษาแล้วใช้ภูมิปัญญาคบคิดจนเข้าใจทะลุแจ้งจากคำแค่จากแค่คำพูดหรือไม่สามารถรู้โดยการรู้มาจากภาษาคำพูดก็มาค้นหาความจริงด้วยปฏิบัติใช้กรรมวิธีนั่งหลับตาสมาธิให้เกิดยานวิเศษใดๆแบบไหนก็ตาม เพื่อรู้อั ต, ตานั้นอัตตนี้ก็ไม่ใช่การรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาถูกต้องแท้ถูกต้องจริงแท้แน่นอนเป็นเพียงมนุษยอัตตาที่รู้ได้ด้วยสัญญาอยู่ในภาวะรูปรสัญญาหรืออรูปรสัญญาเท่านั้น แต่ต้องสัมผัสเห็นในวงเล็บปัสติจากภายนอกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่าสัมผัสวิโมก8แด้วยกายสเร็จอิริยบทอยู่ทั้งอสวะในวงเล็บอัตตาขั้นปลายสุดของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นได้ด้วยปัญญายิ่งจึงจะนับว่าบรรลุธรรมแบบพุทธถ้าไม่ใช่สัมมาสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้า แม้จะทำจิตที่ลึกล้ำอย่างเข้าไปรู้อย่างลึกลับก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสวากขาตธรรมแบบของพระพุทธเจ้าสวากขาตธรรมได้แก่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเองมาพิสูจน์ด้วยตนได้เลยในวงเล็บสันติโกไม่ว่ายุคสมัยไหนไม่ขึ้นกับการเวลาพิสูจน์ได้เสมอในวงเล็บอากาลิโก ควรเรียกมาให้ดูควรเรียกให้มาดูเชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์หรือท้าทายต้องการทดสอบเพราะเกิดจริงเป็นจริงในองเล็บเอหิปสิโกคววน้อมเข้ามาไว้ในใจเป็นของสูงที่ควรโน้มมาให้แก่ตนเองอย่างยิ่งในองเล็บโอปานายโกอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้และรู้ ได้จักและรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจตนและรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เองในวงเล็บปัจตังเวทิตพูและรู้ได้ประจักษ์และและรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เองในวงเล็บปัจจตังเวทิตโพวินยูหิ ผู้รู้ได้แค่ภาษาคำพูดในองเล็บวาทะแต่ไม่ได้สัมผัสปรมาท ธ, ธรรมตัวจริงก็คือผู้ยึดได้แค่คำพูดในองเล็บวาทะเป็นอัตตาในองเล็บอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานนี้หมายความว่าผู้นั้นไม่ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจากสัมผัสภาวะที่เป็นอัตตานั้นจริงๆ อตวาทุปาธานนี้หมายความว่าผู้นั้นไม่ได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจากสัมผัสภาวะที่เป็นอัตตานั้นจริงเป็นเบื้องต้นเลยอัตตาในวงเล็บตัวที่เราสัมผัสของแท้อยู่ด้วยอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าสกายะจึงจะชื่อว่าผู้พ้นสกายะทิฐิสังโยชน์ข้อหนึ่งส่วนผู้ที่ยังไม่เกิดญาณอันไดจากอธิปัญญาสิกขา ที่ได้ศึกษาปฏิบัติมาเกิดอธิศีนสิกขาและเกิดจิตและและเกิดและเกิดเจริญอธิจิตสิกขาถ้าเพียงภาษากำพูดที่รู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั้นถ้าเพียงภาษาคำพูดที่รู้ที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น หรือแม้จะศึกษาค้นคว้าขบคิดจนเข้าใจทะลุปุปโปร่งขนาดไหนปานใดก็ยังไม่ชื่อว่าได้สัมผัสความเป็นอัตตาที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมหมายความว่าได้สัมผัสจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเป็นของจริงเริ่มจากอัตตาตัวจริงซึ่งตามภาษาเรียกก็คือสักกายะ ในองเล็บองประชุมของรูปนามในในองเล็บองประชุมรูปนามของตนนั่นแหละผู้ได้สัมผัสของจริงด้วยตนแท้จริงจะเป็นผู้พลศักยทิฐิสังโยชน์ตามจริงแม้จะรู้เป็นความรู้ที่ผู้รู้สามารถรู้จนคนในโลกนับว่าเป็นปราดขนาดไหนก็ตาม ต่อให้สัมาทิฏฐิอีกด้วยที่เรียกว่าปริยัติสัมาทิฏฐิแล้วถ้ายังไม่มีการสัมผัสหกขั้นต้นทางภายนอกอยู่ด้วยอย่างเห็นเห็ น, หนกรหลัดห ล, ดหลดบัตดนั้นเลยในวงเล็บพระหิทธารูปานิปัสสติซึ่งนับว่ามีญาณรู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงตัวตนก็ยังไม่ถือว่าพ้นอัตตวาทุ ป, ปาทาน แค่เป็นผู้มีภูมิรู้แค่เพียงวาทะหรือคำพูดที่ได้เรียนรู้มาหรือขบคิดทะลุโ ป, ปร่ปรงเท่านั้นต้องสัมผัสของจริงแห่งภาวะตัวตนคือสัมผัสจิตเจตสิกนั้นได้ในขณะที่มีองค์ประชุมที่เรียกว่ากายอยู่โดยมีทวารภายนอกสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทนโท้จึงเชื่อว่าจึงชื่อว่าพ้นักยทิฐิที่เป็นสังโยชน์ข้อต้นสะ แปลว่าตนสะแปลว่าตัวตนของตนเป็นไปกับส ก, กะหรือสักกะแปลว่าอันเป็นของตนกายะแปลว่าองค์ประชุมองค์ประกอบหรือองค์รวมของรูปและนามทั้งภายนอกและทั้งภายในหรือหมวดแห่งเจตสิกธรรมได้แก่เวทนา สัญญาสังขารในวงเล็บนามเป็นหลักสกายะก็หมายถึงองค์ประชุมของรูปถึงขั้นอรูปและนามทั้งภายนอกและภายในอันเป็นของตนนั้นนันกกายะนี้แหละตัวตนในวงเล็บอัตตาตัวแท้แม้จะรู้เป็นสมาธิฐิแล้วรู้ดีแล้วก็ยังต้องรู้วิธีปฏิบัติให้สมาธิฐิอีก รู้แล้วก็ต้องไปลงมือปฏิบัติอีกตามวิธีที่รู้มาอย่างสัมมาทิฏฐินั้นให้เป็นสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติถูกต้องด้วยกระทั่งเกิดผลในองเล็บภาวนาจึงต้องชอบแล้วทั้งรู้ในวงเล็บสัมมาทิฏฐิและชอบแล้วทั้งปฏิบัติในวงเล็บสัมมาปฏิบัติต้องสัมผัสตัวตนที่เรียกว่าสักกายะเป็นขั้นต้น จึงจะเป็นผู้พ้นอัตวาทุปาทานแล้วต้องสามารถทำให้กิเลนั้นลดละจางคลายลงในวงเล็บอาทิจิตสิกขาก็ตามเห็นความลดละจางคลายนั้นอย่างเห็นเห็นในวงเล็บวิราคานุปสีจึงจะชื่อว่าพ้นศิลปตะประาปรมาตคือพ้นภาวะที่ได้รู้ได้สัมผัส คือพ้นภาวะที่ได้รู้ได้สัมผัสตัวตนกิเลสอยู่จริงและได้ทำให้กิเลสลดละลงได้จริงไม่ใช่แค่ตัวตนของกิเลสเราก็รูปคลาตัวตนมันอยู่แท้แต่ยังไม่ทำให้มันลดละลงถ้าแม้จะสัมผัสตัวตนของกิเลสนั้นอยู่แต่ปฏิบัติไม่ทำให้กิเลสลดละจางคลายลงได้ ก็เรียกว่าไม่พ้นศิลปะปรามาตคือเมื่อสัมผัสสักกายะของตนอยู่อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วไม่สงสัยข้องใจเลยก็พ้นวิจิกิจชาสังโยชน์แต่ยังปฏิบัติทำให้กิลเลสลดลงยังไม่ได้ก็ยังไม่พ้นสังโยชน์ข้อสคือยังไม่พ้นศิลปะปรามาสังโยชน์ ถ้าปฏิบัติถูกตรงตามพระวจนะก็จะมีภาวะทุกอย่างยืนยันตามคำตรัสชัดเจนได้ดังที่ไล่เลียงมาให้เห็นคร่าวๆนี้ที่สุดถึงขั้นกิเลสดับก็มีอธิปัญญาสิกขาตามเห็นกิเลสนั้นๆดับอยู่แท้ๆเรียกว่ามีนิโรธานุปัสสีคือตามเห็นความดับซึ่งมีกระบวนการของปัญญา ตามรู้การปฏิบัติในวงเล็บมีอนุทิฏฐิตามรู้ที่เกิดผลว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบผลอีกไปเสมอหมดเกลี้ยงหรือยังก็ต้องทำกําจัดแล้วกําจัดอีกจึงจะกําจัดมันเป็นผลลงได้ถึงขั้นหมดสิ้นเกลี้ยงสนิทสําเร็จได้แท้ถ้าผู้มีความรู้ปริยัต แม้จะสมะัมมติฐิแต่ถ้ายังไม่ได้สัมผัสสักกายะที่เป็นอัตตาขั้นต้นเลยคือสักกายะนี้ได้จริงผู้นี้คือผู้ยังไม่พ้นอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานหมายถึงผู้รู้อัตตาแต่เพียงภาษาคำพูดคือวาทะแค่นั้นการปฏิบัติเช่นนี้คือการปฏิบัติแบบพุทธด้วยไตรสิกขาและเกิดจิตบุญ ถ้าเป็นกรรมบุญคือเป็น ก, รนการกระทาที่เป็นบุญปฏิบัติทานก็ดีปฏิบัติอื่นๆก็ตามบุญคือการชำระกิเลสบุญไม่ใช่สมบัติบุญสะสมไม่ได้สำหรับผู้ที่ทำบุญเป็นการชำระกิเลสถูกต้องเป็นจริงจริงจริงบาปให้เป็นผล บาปให้ผลเป็นความทุกข์คือนรกบุญให้ผลเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์บุญให้ผลเป็นความไม่ทุกข์ไม่สุขในองเล็บอทุกขมาสุขตามที่ชาวโลกีเขาเป็นกันซึ่งเป็นสภาพที่สิ้นนรกสิ้นสวรรค์แล้วเพราะเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปในองเล็บปุญญปาปะบริขีโนแล้วแม้จะมี ผู้แปลบุญว่าเป็นความสุขก็เป็นความสุขสงบชนิดพิเศษในวงเล็บหูปสมโมในวงเล็บปูปสมาสุขอุปสมาสุขปรามังสุ ข, ขังคือยิ่งกว่าสุขที่ชาวโลกมีกันเป็นกันนี้แหละที่เป็นเป้าจุดสำคัญของสัตว์นี้แหละที่เป็นเป้า จ, จุดสำคัญของสัตว์ ท, ตที่ชื่อว่าคน ทั้งที่ในตอนเป็นๆและตอนตายไปแล้วซั์นี้จะสิ้นไปซัพ ท, ที่ตนหลงว่าได้จริงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นอุเบกขาแบบโลกิยะก็มีแบบโลกุตระก็มีล้วนชัดเจนสุขที่คนโลกีพากันเสพอยู่นั้นสุขเทสเป็นสุขเทส มีภาษาบาลีเรียกขานว่าสุขลิกะในองเล็บสุขะบวกอะลิกะนั่นแหละแต่ทุกนั้นเป็นทุกขสัตว์เรียกว่าทุกจริงในวงเล็บสัจจะไม่ใช่ทุกเท็จในวงเล็บไม่ใช่ทุกคลิกะเพราะคนที่เป็นผู้ประเสริฐในวงเล็บอาริยะแล้วจะมีปัญญาญานรู้เห็นจริง เพราะคนที่เป็นผู้ประเสริฐในองเล็บอาริยะแล้วจะมีปัญญายาณรู้เห็นชัดแจ้งว่าทุกขสัตตนี้มันถูกฝังเป็นวิบากบาปลงไปในจิตด้วยอวิชชาแท้ๆตกผลึกผนึกแน่นทุกอริยสัตตนี้ทุกขสัตตนี้ทุกขสัตนี้มันถูกฝังเป็นวิบากบาปลงไปในจิตด้วยอวิชชาแท้ๆ ตกผลึกผนึกแน่นนอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้งของจิตตัวนี้แหละคืออนุสัยแล้วหลงผูกมัดมันไว้ทําหน้าที่เหตุแห่งทุกข์อยู่ต่อไปไม่ยอมปล่อยวางจึงได้ชื่อว่าอุปทานเป็นพลังงานทางจิตหมกตัวอยู่หมกตัวในจิตซึ่งมีฤทธิ์บาปอยู่ในตัวคือพลังงานสัก จึงได้ชื่อว่าอุปาทานเป็นพลังงานทางจิตหมกตัวอยู่ในจิตจึงได้ชื่อว่าอุปท า, านเป็นพลังงานทางจิตหมกตัวในจิตซึ่งมีฤทธิ์บาปอยู่ในตัวคือพลังงานสักยะโพเทนเชียในวงเล็บโพเทนเชียลเอนเนในจิตตนในวงเล็บโพเทนเชียลเอนเน ในจิตคนเมื่อเจ้าอุปทานนี้เคลื่อนไหวตัวเมื่อเจ้าอุปทานนี้เคลื่อนไหวตัวออกมาทำงานตามหน้าที่แห่งบาปของมันเรียกมันว่าตันหาก็คือพลังงานเจรณนะในวงเล็บไค n นติกเอนเนรยี energy, ในจิตคนเป็นพลังงานออกริ์ตราบที่มีโอกาสและยังไม่ถูกกำจัดจนสิ้นไปจากจิต มันจึงสิงสู่อยู่ในคนมันจึงสิงสู่อยู่ในตนมันจึงสิงสู่อยู่ในตนด้วยอวิชชาไปชั่วกระานานจนกว่าจะได้พบโลกุตรสัจจะทีนี้ผู้เป็นอริยะชื่อว่าผู้ประเสริฐก็เพราะเป็นผู้มีภูมิปัญญาสามารถเรียนรู้และปฏิบัติพิสูจน์จนรู้จับรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของกิเลสในองเล็บอัตตา เป็นสัจจะขั้นปรมัติ์ซึ่งรู้ได้ทั้งตัวทุกตัวเหตุแห่งทุกขคือตันหามีญาณสัมผัส ต, ตัวตนของมันทีเดียวและสามารถดับตันหาตัวนี้ให้ดับสิ้นศูนย์สนิทไปจากจิตใจได้จริงด้วยการปฏิบัติมรักอันมีองค์แปดกระทั่งทำให้ตันหาดับเป็นนิโรธสาเร็จแท้ชนิดที่มีจักษุ ปัญญาญาณวิชาแสงสว่างครบพร้อมสัมผัสวิโมกแปลกด้วยกายสัมฤทธอิริยบทอยู่ทั้งอาสวะในวงเล็บอัตตาขั้นปลายสุดของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญายิ่งในวงเล็บสั ม, มปัญญาถึงที่สุดขั้นสัญญาเวทยิตะนิโรธทีเดียวเมื่อกิเลสตัณหานั้นดับสนิทจริงแล้วกรรมในวงเล็บ การงานการกระทำใดๆของคนผู้นี้ที่จะทำต่อจากที่จะทาต่อจากนั้นไปจึงไม่มีกิเลสนั้นเป็นตัวการทำให้เจ้าของจิตใจต้องทำกรรมที่เกิดจากกิเลสตัวนั้นๆเป็นเหตุเพราะจิตใจเป็นประธานกรรมทุกอย่างกรรมที่ทำต่อจากกิเลสตัณหาได้ดับไปแล้วก็สิ้นวิบากบาป อันเกิดจากกิเลสนั้นที่เป็นเหตุแท้ได้อย่างเด็ดขาดถ้าหมดกิเลสจนกระทั่งสิ้นอาสะวะของกิเลสในองเล็บกิเลสาสะวะนั่นๆไปทุกตัวในตนก็เป็นอรหันต์เป็นผู้หมดสิ้นบุญไม่ต้องทำบุญอีกแล้วไม่ต้องทำบุญอีกนั่นคือไม่ต้องชำระกิเลสใดๆของตนในตนอีกแล้วจบกิจแล้ว ผู้จบกิจชื่อว่าเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญาปะปะไปริกีโนหมดสิ้นสวรรค์หมดสิ้นนรกนี้คือผู้สร้างคุณวิเศษอันประเสริฐในวงเล็บอริยะให้แก่ตนได้จริงๆตามทิสดีของพระพุทธเจ้า คุณวิเศษชนีแลที่เป็นทรัพย์แท้แน่จริงยิ่งกว่าทรัพย์ใดอื่นๆทั้งหลายอันเป็นของตนในวงเล็บอัตตาของของตนวงเล็บในวงเล็บอัตหนียาแม้แต่เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุิของตนที่อยู่ในตนติดอยู่กับตนแท้ๆก็ยังไม่ใช่ทรัพย์แท้ของตนเท่าเลยไม่ต้องไปกล่าวถึงทรัพย์สินเงินทองข้าวของราบยศสรนเสริญสุกใดเพราะมันพรากจากตนแน่ และก่อนเนื้อหนังมังสาเราด้วยดังนั้นผู้ที่ยังมีความเป็นเทวนิยมไม่ว่าจะนับถือศาสนาอื่นใดหรือศาสนาพุทธก็ตามที่ยังยึดถือจิตวิญญาณเป็นอัตตาในวงเล็บอตมันอยู่เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยึดว่าอัตตาจะมีอยู่ตลอดการนิรันดร น, นั่นคือผู้ยังไม่หมดสิ้นบาปสิ้นบุญด้วยการล้างบาป โดยการทำบุญคือทำการชำระกิเลสสันดานของตนให้หมดจดในวงเล็บสันตานังปุนาติวิโสเทติซึ่งตนต้องศึกษาเรียนรู้จนสามารถมียานอย่างรู้เข้าไปรู้จับรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของกิเลสของตนในวงเล็บสกยะอัตตาอาสวะและกำจัดกิเลสของตนด้วยตนเองคนอื่นกำจัดกิเลส หรือล้างบาปให้เกิดตนไม่ได้ทุกคนต้องล้างบาปของตนเองด้วยความรู้ที่สมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติกำจัดละลดล้างเลิกด้วยการปฏิบัติที่สัมมาปฏิบัติมีผลจนสุดท้ายเป็นสัมมาปฏิเวทบริบูรณ์สมบูรณ์จึงจะหมดสิ้นจึงจะหมดบุญสิ้นบาปในวงเล็บ ปุญญป า, ปาปาปะบริขีโนจริงคนอื่นสามารถช่วยเราได้แค่บอกวิธีบอกความรู้แก่เราเท่านั้นส่วนบาปจะลดกิเลสส่วนบาปจะลดกิเลสจะหมดได้นั้นต้องนําความรู้ที่สัมมาทิฐินั้นมาปฏิบัติเองบาปหรือกิเลสตนเองจึงจะลด จะล้างจะจางคลายที่สุดดับสิ้นได้แต่เพราะยังไม่ได้เรียนรู้หรือเรียนแต่ไม่สมมทิทิก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาสามจึงยังมีอัตตาสามในวงเล็บโอราลิกาอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตายังเหลืออัตตาอยู่แท้จริงเทวนิยมไม่มีทฤษฎีในวงเล็บทิฏฐิ เข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาในวงเล็บอัตมันจึงไม่มีทางรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอัตตาก็ไม่มีวันจะลดจะหมดอัตตาไปได้ตลอดกาลเพราะจำนวนต่อปรามาตเพราะจำนวนต่อปรามาตามันในวงเล็บพระเจ้าเสียแล้วว่าพระองค์เป็นเจ้าของอัตมันหรืออัตตาของตนของคนทุกคนของทุกสรรพสิ่งในเอกภพ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่ขบถต่อพระเจ้าขอให้ปฏิบัติให้บรรลุตามคำสอนของพระองค์เถิดเจริญได้จริงทุกคนเพราะพระเจ้าคือภาวะแห่งคุณงามความดีแท้จริงสูงสุดเพียงแต่ท่านไม่ถนัดอนัตตาความจริงนี้เป็นความจริงแท้ที่สุดพระเจ้าเป็นสุดยอดที่สุดแห่งที่สุดในกุศลแต่ไม่มีบุญในวงเล็บ มีเนยะสาคัญต้องศึกษาดังนั้นผู้ยอมตนอยู่ใต้อํานาจของปรมาตตดังนั้นผู้ยอมตนอยู่ใต้อํานาจของปรมาตมันยิ่งเต็มที่เท่าใดก็ยิ่งจริงเท่านั้นปรมา ต, ม, ม, าตมันเป็นเจ้าของอัตตาในวงเล็บ อ, อัตมันจะบันดาลอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นฝืนไม่ได้ขบดไม่ได้ ผู้ศรัทธาจริงควรทำเช่นนั้นผู้ยึดอัตมันคืออัตตามั่นคงผู้ยึดอัตมันคืออัตตาอย่างมั่นคงปานชนี้จึงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตของตนเข้าไปถึงจิตต้นรากคือจิตไร้สานึกของตนในองเล็บอนุัยเท่ากับอันคอนเชียตได้เลยไม่ว่าสายปัญญา ในวงเล็บฟ l o ล o p ฟ y หรือสายศรัทธาในวงเล็บ prophecy ในวงเล็บ prophecy ที่จำนวนต่อปรมาตมันว่าเป็นผู้เป็นเจ้าแห่งอาตมันในวงเล็บ อ, อาตา เป็นผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าแห่งอัตมันในวงเล็บอัตตาของเราจึงเข้าไปแก้ไขจิตใจของตนได้บ้างเพียงจิตสำนึกสามัญในวงเล็บคอนเชียสเท่านั้นแต่จะให้ครบท้วนถึงชั้นลึกสุดระดับอนุสัยหรือจิตไร้สำนึกอันคอนเชียตในวงเล็บอันคอนเชียตของตนไม่ได้เพราะไม่มีทฤษฎีหรือทิฏฐิที่จะปฏิบัต เพื่อเข้าไปจัดการในวงเล็บอภิสังขารแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตของตนหรืออัตตาในวงเล็บอัตมันของตนชนิดที่เป็นทฤษฎีมีประสิทธิภาพถึงขั้นอย่างเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตเจตสิกรูปนิพานได้แท้แน่ได้แน่แท้จึงแก้ไขอัตมันหรือจิตที่เป็นอัตตาของตนแม้แค่ขั้นจิตใต้สานึกในวงเล็บซับคอนเชียส ให้เปลี่ยนไปชนิดที่เปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างสเสถียรในวงเล็บ sustainable ก็ยังยากหรือเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะจิตนั้นเป็นประธานความเป็นจิตนิยามหรือเป็นประธานธรรมทั้งปวงในวงเล็บ โนปุพังขมาธรรมาดังนั้นยิ่งจะทำความเสถียรให้เป็นผลสาเร็จจริงแท้ไม่แปรยิ่งจะทาความเสถียรให้เป็นผลสำเร็จจริงแท้ไ ม, แทมจจแทไม่เปลี่ยนแปลไม่เป็นอื่นไปอีกแล้วนิรันดรในองเลฟฟ์ e อก็ยิ่งไม่มีทางเพราะทฤษฎีคือทิฏฐิที่จะสัมมาทิฏฐิเพื่อกำจัดอัตตา ที่เป็นผีที่จะกําจัดอัตตาที่เป็นผีเป็นซาตานเป็นมารเป็นกิเลสนั้นทางเทวนิยมไม่มีเพียงขั้นจิตใต้สํานึกในองเล็บซับคอนเชียสจิตชั้นกลางที่จะล้วงเข้าไปจัดการในวงเล็บอภิสังขารยังยากมากแล้วยิงจะเปลี่ยนแปลงอัตภาพของตนด้วยตนเองให้ครบท่วนทุกอัตตาเป็นที่สุดถึงขั้นจิตไร้สํานึก ในวงเล็บอนุสัยเท่ากับอันคอนเชียสจึงทําไม่ได้แน่นอนยิ่งยึดถือว่าอัตตาเป็นยิ่งยึดถือว่ายิ่งยึดถือว่าอัตตาหรืออัตมันนั้นคือสิ่งนิรันดรก็ยิ่งจะอยู่จะมีจะเป็นไปกับตนตราบนิรันดรตามที่ยึดถือนั้นแหลและในอัตตาในวงเล็บอัตมันนั้นมันมีความนั้นมันมีวิบากบาปในวงเล็บ ผลของกรรมที่ทําให้ตกนรกโดยเฉพาะผู้ยังทําบุญไม่เป็นเพราะยังไม่สัมมาทิฏฐิในองเล็บมิจฉาทิฏฐิในการทําบุญจึงไม่มีผลที่ชําระกิเลสได้จริงผลของกรรมส่วนมากก็สั่งสมเป็นกิเลสอนุสัยก็เพราะความไม่รู้ในวงเล็บอวิชชาตามความเป็นจริงหากไม่มีความรู้แบบพุทธ หรือแม้แค่ชาวพุทธเองที่ยังมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีสิทธิหรือไม่มีข้อปฏิบัติจะยังรู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงในความเป็นอัตตาซึ่งเป็นอริยสัจสี่ได้แก่ภาวะของตัวตนในวงเล็บอัตตาที่เป็นทุกข์ในวงเล็บทุกอริยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์ในวงเล็บทุกขสมุหไทัยอริยสัจอันเกิดจริงมีจริงในใจคน และเมื่อเรียนรู้หลักปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิสามารถปฏิบัติเข้าไปทําการวิตกหรือวิตักระในวงเล็บอย่างเรียนรู้ในความดําริของตนและวิจัยคือการคน้นและวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าเลือกเป้นธรรมในธรรมในวงเล็บธรรมวิจัยสัมโพธชงจนสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของวิจาระ ในองเล็บภาวะที่เป็นจาระของตนอย่างวิเศษในฌานเป็นต้นซึ่งได้แก่พุติของจิตตนที่เกิดเป็นซึ่งได้แก่พฤติของจิตตนที่เกิดที่เป็นไปต่างๆถึงขั้นมโนปวิจาร18อย่างสำคัญที่เป็นเคหสิตะเวทนา18ก็ดีและเนคขมะสิตะเวทนา18ก็ดีกระทั่งสามารถ จัดการในวงเล็บ อ, อภิสังขารกับความเป็นอัตตาในตนได้จริงมีปุญญาภิสังขารในวงเล็บ ก, การจัดการกับจิตอย่างวิเศษถึงขั้นชาระกิเลสเป็นต้นสายเทวนิยมที่ไม่มีทฤษฎีที่จะสายเทวนิยมที่ไม่มีทฤษฎีจะศึกษาเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงส ก, กายะในวงเล็บตัวตนขั้นต้น ที่ผู้ปฏิบัติรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนพ้นวิจิกริชฌาอัตตาในวงเล็บกล่าวเรียกตัวตนทั่วไปซึ่งเป็นตัวตนกลางๆอาสวะในวงเล็บตัวตนขั้นปลายที่เหลือเล็กน้อยใกล้จะกำจัดหมดสิน้นก็ไม่สามารถล้างกิเลสหรือกำจัดกิเลสอย่างสัมมาทิฏฐิให้หมดสิ้นอนุสัยไปครบครันอริยสัจสด้วยโลกุตรธรรม จึงไม่สามารถจัดการในองเล็บอภิสังขารตัวตนในองเล็บอัตมันอัตตาให้หมดสิ้นอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนได้เด็ดขาดเพราะเมื่อมีความเห็นความเชื่อมั่นยึดถือไปอย่างนั้นแล้วในวงเล็บยึดถือเทวนิยมยึดถือพระเจ้าว่านิรันดรก็แน่นอนว่าไม่สามารถจะมีสัมมามัตยซึ่งเป็นเรื่อง ลึกล้ำจึงไม่อาจจะมีทฤษฎีอริยสัจสี่อย่างสัมมาทิฏฐิแน่ๆขออภัยอย่างมากจริงๆที่ได้สาธยายมาถึงขั้นนี้ที่ดูเหมือนพูดไม่ดีก็ขอแจ้งจากใจจริงใจแท้ว่าไม่ได้มีเจตนาจะยกตนข่มท่านหรืออวดดิบอวดดีให้คนเห็นเป็นว่าดูเชางเหนือผู้อื่นรัดที่อื่นเสียจริง แต่อัตมาเลี่ยงไม่ได้มันเป็นความจริงที่อัตมาเห็นว่าจำเป็นและอัตมาก็มั่นใจในความจริงใจของตนจริงๆว่าอัตมาไม่มีจิตสาเถยยะอย่างที่ว่ามันนั้นอัตมาก็ต้องขออนุ ญ, ญาตด้วยเถิดที่ต้องสาทยายให้เกิดการเรียนรู้เป็นวิชาการที่ต้องศึกษาเป็นการศึกษาจริงๆก็ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันนะ ต้องศึกษาทฤษฎีโลกุตระให้ได้เมื่อไม่สามารถมีโลกุตระธรรม46ในองเล็บโพธิปัขิยธรรม37กับโลกุตระธรรม9จึงเป็นธรรมดาที่จะไม่สามารถปฏิบัติจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติเป็นบุญในองเล็บล้างกิเลสชำระกิเลส ได้อย่างมีสัจจะภาวะที่เป็นการชำระในวงเล็บปูนาติเกเรตอัตตาหรือชำระสันดานสำเร็จอย่างเป็นจริงแม้จะเอาคำภาษาไทยว่าบุญนี้ไปใช้ในการทำดีหรือทำความประเสริฐในทางธรมว่าทำบุญก็ยังไม่ถึงขั้นปรมตถ ธ, ธรรมที่ได้ชำระกิเลตในสันดานตนอย่างมีญาณชนิดอย่าง อย่างมีาญาณอย่างชนิดรู้จักรูร้แจ้งรู้จริงในจิตเจตสิกรูรปนิพพานของตนแน่แม้ที่สุดจะนำคำว่าบุญไปเรียกผู้มี ไปเรียกผู้ที่ปฏิบัติดีประพฤติธรรมได้ดีสูงทรงว่าเป็นนักบุญก็ดีภาษาไทยคำว่าบุญย่อมมีความหมายคนละความหมายซึ่งไม่ตรงตามคำนิยามที่อาตมากำลังจะสัทยาอยู่นี้แน่นอนตราบที่ผู้ใดยังไม่บรรลุโลกุตรธรรม9หรือโลกุตรธรรม46กระทั่งมีผลถึงที่สุดก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นนิพพานเล็งเล็บ การดับสนิทไม่เหลือความเป็นตนของกิเลสซาสะวะก็ยังมีอัตตาในวงเล็บอัตมันอยู่ตราบนั้นจึงไม่สามารถจะเลิกล้มหรือสลายซับแท้อันคือวิบากในองเล็บผลของกรรมโดยเฉพาะวิบากบาปจึงยังมีวิบากที่เหลือจึงยังมีวิบากที่ยังมีอยู่จริงนั้นเป็นตนของตนอยู่จริงเรียกเป็นภาษาว่าอัตตา หรืออตมันดังสาธยายนั้นดังสาธยายมานั้นสิ้นจบสุดท้ายท้ายสุดได้ลงไปได้จริงแน่นอนสิ่งนี้ภาวะนี้แหละที่เป็นรั์อันคนทุกคนต้องอาศัยไปนิรันดรของความเป็นจิตนิยามของแต่ละคนตลอดกาลนานไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดใดที่แต่ละคน ได้ทำจริงทุกกรรมล้วนสังสมเป็นรัพย์ในอัตภาพของตนทั้งหมดไม่มีใครคดโกงสัจจะของกรรมที่ตนทำเองจริงไปได้เลยนั่นแหละคือความเป็นของของตนในวงเล็บกรรมมศกตาที่ทุกคนต้องรับวิบากในวงเล็บผลกรรมที่ตนทาจริงไม่ว่าจะทำในที่แจ้งคนอื่นรู้ด้วยหรือในที่ลับคนอื่นใด ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยปานใดล้วนเป็นของตนของตนจริงไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะเล็กจะน้อยปานใดก็สะสมลงเป็นวิบากทั้งหมดตามที่ได้ทําลงไปจริงล้วนเป็นผลวิบากในองเล็บสุกตะทุกตะนางกรรมมานังพลังวิปากโกจริงแท้แน่นอนยิ่งกว่าสิ่งใดภาวะใดๆอยู่ยืนยาว อยู่คู่กับอวิชชาของตนไปตลอดที่ยังมีอวิชชาวิบากบาปก็เป็นนรกเพราะกิเลสคือบาปใครทำบาปมันก็พาตกนรกทำกิเลสกับทำบาปมันจึงอันหนึ่งอันเดียวกันทำกิเลสใดหรือทำบาปใดก็ตกนรกนั้นมันก็เพราะกิเลสนั้นบาปนั้นเช่นมีบาปฆ่าไก่ตัวนั้น ก็ตกนรกที่ฆ่าไก่ตัวนั้นมีกิเลสฆ่าไก่ตัวนั้นก็ตกนรกที่ฆ่าไก่ตัวนั้นไก่ตัวนั้นตายเพราะบาปหรือเพราะกิเลสก็ตามมันก็คือนรกที่ฆ่าไก่ตัวนั้นด้วยกิเลสนั้นหรือบาปนั้นนั่นเองใช่ไหมถ้าไก่ตายด้วยน้ำมือคุณแต่คุณว่าคุณไม่มีกิเลส แต่ไก่ตายด้วยน้ำมือคุณก็เป็นในยะสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่คุณไม่รู้ว่าบาปคือคุณว่าไม่มีกิเลสไม่คิดจะฆ่าไม่ได้พยายามฆ่าไม่ได้ลงมือฆ่าจนไก่ตายด้วยน้ามือคนในวงเล็บนี่แหละคืออุททิฏิสมังสะเจตนาของคนไก่ตายนะมันก็ต้องเป็นคนอื่นคนใดมา เจตนาฆ่าที่เจตนาในองเล็บอุทิตเท่ากับเจตนาฆ่ามันตายก็คือน้ำมือคนฆ่าที่จริงคุณมีกิเลสมีเจตนาแต่คุณอวิชชาอยู่ไม่รู้กิเลสในใจตัวเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปานาติบาตนั้นมีองค์ห้าของบาปใครมีครบก็บาปแม้คนนั้นจะว่าตนไม่มีกิเลส ก็ตกนรกเพราะบาปนี้องค์หของบาปที่เป็นปาณาติบาองค์หของบาปที่เป็นปาณาติบาตก็คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดฆ่าสัตว์นั้น 3. คิดฆ่าสัตว์นั้น 4. พยายามฆ่าสัตว์นั้น 5. สัตว์นั้นตายสําเร็จด้วยความพยายามนั้นก็ครบเป็นบาปทันทีสําเร็จด้วยกรรมนี้ คุณว่าคุณไม่มีกิเลสแต่คุณฆ่าอย่างนี้ ก, ก็ครบองค์ห้าของบาปในกระบวนการของปานาติบาตแล้วกิเลสคืออะไรคือกรรมที่มีเจตนาคุณจะฆ่าไก่ตัวนี้โดยไม่มีเจตนาจะฆ่าแล้วไก่มันตายด้วยน้ำมือคุณไหมทั้งๆ ท, ที่คุณว่าคุณไม่มีกิเลสแต่คุณมีเจตนาแน่ที่ ทำให้มันตายจนสาเร็จเจตนาเจตนาตั้งแต่รู้ว่าไก่มันมีชีวิตจึงจะทำให้ไก่มันตายแล้วคุณเริ่มคิดเริ่มพยายามลงมือทำจนสาเร็จองห้าก็ครบเป็นบาปนอกจากเป็นอุปทวเหตก็ไม่ครบองหา้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ครบองห้าของปานตาิบาตก็ไม่ครบบาป บาปคือต้องรับวิบากทุก์บาปวิบากที่ไม่ได้วิบากที่ไม่เจตนาคือยังมีเวรถ้าสัตว์ที่มันตายด้วยอุปทวเหตุและคุณเกี่ยวข้องกับอุปทวเหตุนั้นสัตว์ตัวนั้นมันพยาบาทคุณไหมหรือว่ามันชอบที่ถูกฆ่านี่แหละวิบากบาปแม้คุณไม่มีเจตนา มันก็วนเป็นหนี้บาปหนี้เวรกันไม่จบง่ายๆสรุปแล้วต้องชาระกิเลสมันเหตุบาปบุญคือชาระกิเลสให้สะอาดหมดจดไปจากสันดานในองเล็บสันตานังปุนาติวิโสเทติวิบากบุญก็ดับเหตุนรกและไม่เป็นสวรรค์จบสิ้นบุญแล้วก็คือไม่ต้องชาระกิเลสตนอีก ไม่ต้องชำระกิเลสของตนอีกเพราะไม่สุขไม่ทุกข์แล้วกิเลสถูกชำระสิ้นสุดอวิชชาสวะแล้วในวงเล็บจบฉบับที่290